ตันหาดุติโยปุริโสดีคามัตธานะสังสารังอิทธภาวันยะธาภาวังสังสารังอนวัตตติตีณรำดับต่อแต่นี้ก็จะได้ความ ธรรมะบัญญายเป็นธรรมะปฏิบัติพวกเราก็นั่งสบายๆ <c oughs> วันนี้เป็นครั้งที่สี่สิบ วันนี้จะได้แสดงถึงเรื่องเพื่อนผู้ร่วมเดินทางตามบาลีที่ได้ยกขึ้นมานะว่าตันห้าตุติโยปุริโส ว่าบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองนี่เพื่อนของเราที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเวียนไหวตายเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแลวก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเรามีเพื่อนอยางเหนียวแน่น เป็นเหมือนยางเหนียวที่เกาะติดรัดรึงอยู่กับเราเพื่อนผู้นี้ก็ชื่อว่าตันหาในเส้นของมรกคาชีวิตที่เดินไปทุกพบทุกชาติทุกกำเนิดที่เราได้เกิดมีเขาผู้นี้แหละเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเรา ติฆะมัฏฐาติฆะนมัฏฐานังหมายความว่าเส้นทางที่ยืดยาวไกลท่องเที่ยวกันไปอยู่เรื่อยๆในสังจารวัตนี้มีกาเนิดอยู่สี่กำเนิดบางกาเนิดก็เกิดในคัน เกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดผุดขึ้นเรียกว่าบางครั้งเราก็เกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดในครันบางครั้งก็เกิดในกําเนิดเดริชานเวลาเกิดเป็นเดริชานเนี่ยอาจจะเกิดในคันด้วยเกิดในไข่ด้วยหรือเกิดในสิ่งหมักมมสกปรกด้วย บางครั้งก็ไปเกิดเป็นโอปาติกกํำเดิดคือไม่ต้องใช้คันไม่ต้องใช้อาหารเรียกว่าเกิดผุดขึ้นตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ตนกระทาในสุคติทั้งหลายในทุกคติทั้งหลายเฉพาะในส่วนที่เป็นเปรตอสุรกายและนรกนี่พวกนี้ เป็นโอปติกะกำเดิดอยู่ในกำเดิดทั้งสี่ถ้าถามว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้วยังมันเกิดมาหมดครบทุกอย่างแล้ ว, ลวเอาอะไรมาตอบก็เกิดมาครบทุกอย่างก็เอาเพื่อนร่วมเดินทางของเรานั่นแหละ เพื่อนร่วมเดินทางในสังสารวัตรที่ท้องเที่ยวไปกับเราก็คือตันหาตันหาทุติโยปุริโสเรามีตันหาเป็นเพื่อนสองตันหาตัวนี้แหละที่จะพาเราไปทุกพบทุกปุ่มทุกกำเดิดลิมรสทุกอย่างเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ว่าจะนำเราไปที่ไหนในที่สุดมันก็จะนำก็ไปสู่ทุก <c oughs> ทุกข์สะชัระวังนี่ว่แดนแห่งทุกข์เป็นที่เกิดแห่งความทุกข์ตัวตันหานี่พอเราอยู่เป็นมนุษย์ในชีวิตปกติในอารมณ์ของเราเราก็อยากจะอยู่ของเราดีๆเราก็อยากจะอยู่ของเราแบบมีความสุขเราก็อยากจะอยู่ของเราแบบสหบ เราก็อยากจะอยู่ของเราแบบเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วเราไม่ได้อย่างนั้นเ ร, เราไม่ได้ความสุขอย่างที่ว่าเราไม่ได้ความสงบอย่างที่ว่าเราไม่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ว่าก็เพราะเขานี่แหละเมื่อเขามาเป็นพุอนเพื่อนที่ร่วมเดินทางกับเราเพราะว่าสเตนามะวัตเตวิจารันตาวัฒมรนดาสัต ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนั้นอภัมมตปาปุญญกรรมเมวการติพอไม่ประมาทก็ทำบุญมั่งปรมาทิโดหุ ต, ตวาปาปรกรรมมังการติแต่พอประมาทพลั้งเผลอก็กลายไปทำบาปบ้าง เดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็ทำบาปตันหาเนี่ยนะพาเราไปอย่างนี้ตัตสมะวัตเตวิจารันตาเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัต ส, สุขขังปิทุกขังปิเดี๋ยวก็สุขมั่งเดี๋ยวก็ทุกข์มั่งอันนี้ก็เป็นเพราะอำนาจของตันหาที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเรานั่นเอง ความสุขที่เกิดจากตัณหาเป็นความสุขที่ไม่จริงเป็นความสุขที่นําทุกข์เข้ามาหาเราอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าเนี่ยจงรู้จริงในเรื่องนี้ก่อนที่จะตรัตรู้ไม่ได้เห็นว่าตัณหาเป็นเพื่อนสองแต่เห็นดอกผลของมันเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความชรา เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความตายสงสัยนักหนาสงสัยเหลือเกินว่าความทุกข์ที่บีบคั้นย่ายีบีทาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้มันมาจากอะไรและพระองค์จะต้องนําพาเราสัมพัสัต ข้ามไม่พ้นจากความทุกนี้ให้ได้ก็เลยตัดสินใจออกบวชพอออกบวชแล้วใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้พระองค์นั่นแหละเป็นเครื่องทดลองฝึกฝนจิตใจในที่สุดก็รู้ว่าตันหานี่แหละที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางในสังสารวัติ จัดทำโครงร่างขึ้นมาเป็นเรือนเป็นพพเป็นชาติของเราอยวันที่พระองค์ตรัตรู้เรียกว่าถึงบรรลุสัพพัญยุตยานวันนั้นเป็นวันที่พระองค์รื้อเรือนหลังนั้นหักโครงหักเสาพังหลังคาพังบ้านที่ถูกตันหาสร้างขึ้นอย่างย่อยยับ ไม่สามารถที่จะไปสร้างไปมีอะไรใหม่อีกแล้วรู้จ้าจึงรู้ว่าตันหาที่เป็นเพื่อนสองเนี่ยอันนี้เวลาเรามันนั่งฟังพระพูดมันง่าย เ, ยเพราะพระพุทธเจ้าตัานค้นไว้ให้แล้วแจมแจ้งแล้วเราเพียงแค่ฟังแล้วก็คิดตามทําความเข้าใจมันก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมา มันก็มีตัณหาเป็นเพื่อนแล้วและเขาจะมาแสดงออกทางตาทางหูทางจามกูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แสดงออกไปด้วยอาการที่เราชอบทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจความชอบเ่านั้นแหละมันมาจากตัณหาอาการที่เราไม่ชอบ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอาการเหล่านั้นะมันมาจากตัณหาความอยากโดยประการทั้งปวงไม่ว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นหรืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นความอยากทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันก็คือตัณหานั่นแหละคือเพื่อนเรา คือเพื่อนร่วมเดินทางในสังสาราวัตรของเราวันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา <c oughs> ถ้าเรื่องปลีกย่อยเล็ก เ, เน้อยๆอยที่สอดแทรกเข้ามาเช่นเรื่องความผิดหวังเรื่องความโศกเรื่องความเจ็บแค้นเรื่องความร่ําไรรําพันเรื่องความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาเรื่องความพลัดพลาดอันนี้เล็กน้อยนะ เหล่านี้เป็นต้นล้วนมาจากเขาทั้งนั้นที่เป็นเหตุเรียกว่าทุกขตาสมพวังเป็นแดนของทุกคือเขานี่แหละที่ชื่อว่าตันหาทีนี้แม้แต่เรื่องใหญ่ๆ ห, หลักๆทุกเพราะการเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บป่วยหรือทุกเพราะความตายก็มาจากเขานี่แหละ คือตนานาเราบอกว่าเราปวดเหลือเกินปวดเพราะอะไรปวดเพราะนั่งนานเมื่อยล้าไอความปวดความเมื่อยความล้านี่มันไม่ใช่ปวดเพราะนั่งนานนะแท้ที่จริงมันเกิดด้วยตัณหานักเลยพอเราอยู่ไปอยู่ไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทําให้อยู่ลาบาก รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความทุกข์ลำบากทุกทรมานเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่อันอื่นอันไกลมันก็มาจากตันหานี่แหละมีชีวิตอยู่แรกเริ่มเดิ ม, มทีต้องต่อสู้ฟันฝ่าแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้มีให้ได้ให้เป็นก็ลำบากเหลือเกินกว่าจะมี ลำบากเหลือเกินกว่าจะได้ลำบากเหลือเกินกว่าจะเป็นไอ้นี่ก็เพราะความลำบากเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะตัญหานี่แหละครั้นพอได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็ลำบากเหลือเกินเพราะอำนาจของตัญหามันจะต้องให้เราเนี่ยพยุ่งมรักษาสิ่งที่มีสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั้นไว้อย่าให้มันขาดตกบกพร่องแต่มันขาดตกบกพร่องลงไปมันเสื่อม เสียลงไปมันลดน้อยถอยลงไปก็ต้องรีบมันแต่งมันเติมมันต่อให้มันยังคงเป็นอยู่ดังที่อยากให้คงเป็นอยู่ดังที่มีให้คงเป็นอยู่ดังที่เป็นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรามีตันหาเป็นเพื่อนเราจึงมีแต่ความลำบากทุกข์กายทรมานทั้งจิตใจและร่างกายตลอดระยะเวลาแต่ว่าเราไม่เคยรู้ พอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เลยนํามาบอกเราก็เลยเข้าใจอันวิธีที่พระพุทธเจ้าจตรัสรู้และนํามาสอนเรานั้นจึงเป็นวิธีที่จะใช้เขานี่แหละคือใช้ไอ้เพื่อนคนนี้แหละให้เขาเป็นเสมือนเรือ ที่เราจะขึ้นไปนั่งบนลาเรือนี้แต่ว่าเราจะใส่หางเสือใส่กําลังในการพายแล้วก็ใส่เข็มทิศเพื่อบังคับทิศทางมุ่งตรงไปในเส้นทางตามแผนที่พอเราไปถึงฝั่งเรือลานี้เราก็ทิ้งเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนแท้มันแค่เพื่อนผู้เริ่มเดินทาง อันในเส้นทางของผู้ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนในสังสารวัตรที่ต้องเที่ยวไปนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่ประมาทเพราะถ้าเราประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะลําบากอันในเส้นทางที่อยู่กับตัณหานั้นจะต้องไม่ประมาท ถ, ถ้าประมาทแล้วก็พลาดถ้าประมาทแล้วก็พลาดประมาทแล้วก็พลาด เราจึงใช้เขาี่แหละอยู่เพื่ออะไรเพื่อฝึกฝนฝึกฝนใจของเราให้ตัดเขาเองให้ตัดเขาให้ได้นี้ ก, การตัดเนี่ยมันยากไหมมันไม่ใช่ง่ายง่ายนะเพราะว่ามันอยู่กันมานานเราอย่าว่าแต่ตันหาเลย ที่คบกันมาไม่รู้ตั้งกี่พบกี่ชาติที่เวียนว่ายตายเกิดแม้แต่คนบางคนที่เราครบกันมานานๆนานแค่ไหนมันก็ไม่มากเท่าตันหาหรอกแต่ว่าจะตัดคนคนหนึ่งนี่มันยากเลตัดจากรักตัดไปเป็นแค้นตัดจากแค้นก็กลายเป็นเกลียด มันก็ว่าไปเรื่อยมันตัดไม่ได้มันยากเพราะในการปฏิบัติที่ชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าพระพุทธศาสนาหรือเราเรียกว่าศาสนาแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องหนึ่งที่ใครมาบัญญัติขึ้นคำว่าพุทธศาสนาเนี่ย มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อ 2,600 กร้อยกว่าปีที่แล้วค้นพบแล้วนำมาเผยแพร่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราจะต้องไปเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความทุกข์ล้วนๆเรื่องราวของปัญหาล้วนๆที่จะต้องจบให้ได้ในชีวิตของเราเองซึ่งมันเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจทุกอย่างที่เป็นพุทธศาสนาจะต้องนำไปเข้าไปสู่ความรู้จริง และเป็นรู้จริงๆที่เกิดขึ้นจากใจของเราเกิดที่ใจของเราไม่ใช่รู้ที่เกิดที่อื่นและไม่มีสิ่งอื่นใดที่เข้ามามีผลที่ช่วยขจัดปัดเป่าให้เราพ้นจากความทุกข์เพราะการขจัดปัดเป่าไม่สามารถที่จะไปละลายตัณหา ที่เป็นเพื่อนเกาะแน่นอยู่ที่ใจของเราได้ถ้าการปัดเป่าอันใดสามารถที่จะละลายตันหาที่เป็นเพื่อนเกาะแน่นอยู่ที่ใจของเราได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องปร ะ, ประ ต, ะ ต, ะตะรู้หรอกเพราะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามันมีสิ่งภายนอกเข้ามาปัดเป่าตันหาที่อยู่ในใจได้เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่มีความพัฒนาทางเทคโนโลยีในขณะนี้เนี่ยเขาต้องสามารถคิดค้น เครื่องกลเครื่องจักที่ว่าเอาคนเราเข้าไปคนหนึ่งเนี่ยเสียบก็ไปในเครื่องนี้เปิดสวิตเครื่องทำงานปั๊บมันก็ดูดเฉพาะตันหาอย่างเดียวออกจ่างจิตปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุบก็๊ปบปุ๊บปปุ๊ปุ๊บอุ๊บปุ๊ปุ๊บ ไอ้คนไหนขี้ก่โมยขี้โกงขี้เ่าะนักขายาตั้งหลายไม่ต้องไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะมีเครื่องนี้เครื่องเดียวจับยัดก็ไปในเครื่องนี้กดสวิตต์ปล่อยธรรมานปุ๊ออกมาโอ้โหเรียบร้อยแต่มันไม่ได้ไม่มีปัจจัยอะไรที่จะไปปัดเป่าขจัดตัณหาที่อยู่ในใจของเราเป็นดั่งเพื่อนใจของเรานั้นได้ ก็มันจะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของอะไรเลยเป็นเรื่องราวจริงๆในชีวิตของเราเราสุขหรือทุกข์เราเดือดร้อนเราอะไรทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกิดจากท่าทีของใจที่มีต่อตันหาที่มีตัตหาทันหาที่เกิดที่ใจและทำให้เราประมาทและมีท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายผิดความไม่ถูกต้องความผิดพลาดทั้งหมด เกิดขึ้นด้วยอำนาจของตันหานี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าถึงตรัสว่าดังบาลีที่ยกขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยว่าตันห้าทุติโยปุริโสธีฆะมัคทานะสั่งสรังว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนาน อิทท่านภาวังยาท่าภาวังสร้างสรังอนวัตติหมายความว่าไม่ก้าวล่วงซึ่งสงสารอันเป็นประการนี้และประการอื่นเนี่ยพอมันอยู่ในสงสารอันไปประการนี้คือเรา อันเป็นประการอื่นคือถิ่งที่ไม่ใช่เราก็ลองมาดูว่าตัณหามันผูกมัดเราได้ชนิดที่ที่เราคาดไม่ถึงก็แล้วกันเราเกิดมาจากท้องแม่ของเราเนี่ยก่อขึ้นมาเป็นร่างเรือนขึ้นมาเป็นกายแล้วจนมาถึงวันนี้ใจเรารู้สึกอะไร เส้นใยที่มันผูกไว้กับใจของเราต่อสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของตันหาท่นๆวันนี้เราชื่อว่านายกนางขอถานะที่เป็นอยู่เนี่ยที่เป็นนายกเนี่ยเป็นพ่อเป็นหัวหน้าเป็นพี่เป็นปู่เป็นตา เป็นเพื่อนเรื่องราวเยอะแยะแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันทำให้เราเข้าใจในในวังวนในชีวิตของเราว่าเป็นเราแล้วเป็นรูปเป็นร่างไปหมดเป็นเนื้อเป็นตัวไปหมดทั้งทั้งที่ว่ามันหมดไปแล้วมันไม่มีอยู่แล้วมันแปลเปลี่ยนเข้าไปขนาดนี้แล้วแต่มันให้เป็นรูปเป็นร่างตั้งอยู่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็มานั่งทั้งชีวิต ใช้จิตใจที่มีเพื่อนตัะหานี่นะทั้งชีวิตจใจเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนี้มันก็เกิดความอะไรขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างไม่ได้ดังใจแม้แต่อย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์ดิทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้มันความมืดมน ของอำนาจแห่งตันหามันวายมันแวกล้อมจิตของเราไว้มันทุกอย่างมันดูมันเป็นรูปเป็นร่างไปหมดเสียงออกจากปากของคนคนหนึ่งกลับมีผลทำให้เราต้องนั่งร้องไห้อากับกิริยาของใครคนหนึ่งมันมีผลทำให้ชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยเพราะอำนาจของตันหานี่แหละ ทั้งๆ ท, ที่สิ่งที่เกี่ยวพันเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีอยู่จริงไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่จริงมันผ่านไปหมดแล้วมันผ่านไปหมดแล้วแต่มันเขาเรียกพระเจ้าเรียกว่าพัพพระรูปโพวทิศสติมันจะทำให้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเสมอชีวิตเราเคยเจอนายแดง มาบัดนี้ผ่านไปนายแดงหายไปไหนไปแล้วไม่รู้มันก็ยังเป็นนายแดงอยู่นั่นแหละไอ้นี่เรียกว่าเส้นใหญ่ของความยึดติดมาจากอํานาจของตรหนาแล้วก็ชาตินี้เป็นแบบนี้ถ้าเตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่ก็อีกเป็นแบบเดิมนี่แหละอืเวลาเจ็บปวดเจ็บป่วยทุกทรมาน นอนติดเตียงมั่งไม่ติดเตียงมั่งลำบากเหลือเกินร้องหม่มร้องไห้น้ำตาไหลยหยดลงมาข้างแก้มเนี่ยหยดลงมาบนพื้นดินเนี่ยถ้าแต่ละพบแต่ละชาติที่มันหยดหยดหยดหยดหยดหยดยดยดยดหนะไม่เหือดให้ไม่แหง้งเก็บไว้ป่านนี้เนี่ยไม่รู้สักกี่สากกี่บ่กี่บึงแล้วเฉพาน้ําตาเรานะแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ย มันก็มีด้อย่างนั้นส่วนที่เป็นความสุขส่วนที่ความสมหวังส่วนที่ความสำเร็จในตามปรารถนาเล็กๆน้อยๆที่จิตใจเข้าไปสัมผัสได้และมันแค่สุกเวทนาและเป็นแป๊บๆแล้วก็หายไปอะไรที่มันเราบอกว่ามันเป็นสุขเหลือเกินเป็นสุขเหลือเกินแต่ลักษณะแต่ลักษณะของชีวิตลองย้อนถอยกลับไปดูมันหายไปหมด แต่สิ่งที่เหลือตกค้างขึ้นมาคือทุกข์นั่นแ่ะในเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มาดูจิตสำรวจใจใช้หลักของโยนิโสมนธิการพิจารณาใข้ควรให้เหมือนกับช่างนักช่างทองที่ออกตรวจเอาหินเอาดินเอาทราย ใส่ในตะแกรงร่อนแล้วก็ร่อนร่อนร่อนร่อนร่อ น, อนเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแล้วเราก็พิจารณาดูชีวิตเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งไร้สาระเยอะมากที่ถูกผูกถูกสร้างไว้ด้วยอํานาจของตันหาเนี่และที่สําคัญที่สุดตันหามันไม่ให้เรารู้ในความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือเรื่องของความตาย ว่าชีวิตเราที่ตั้งตั้งนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะตายไม่ได้คิดพอตื่นเช้าขึ้นมาคิดรู้แต่ว่าเช้านี้ต้องทำอะไรต้องไปไหนทำอะไรกับใครติดต่อกับใครไปซื้ออะไรไปหาอะไรไว้เรื่อยหละมันไม่ทำให้ได้คิดหรอกว่า เราอาจจะตายในเวลานี้ที่ที่เรายืนนี้เราอาจจะเป็นที่ตายเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะเป็นที่ตาย เ, าเวลานี้อาจจะเป็นเวลาตายมันไม่ได้คิดเลยซึ่งเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันรู้ขึ้นมาว่าอีกห้านาทีนี้เราจะตายเวลาเราจะไปรู้รู้ตอนไหนรู้ตอนทำอะไรไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเรามองอสภาพการออกแล้ว หมอก็เริ่มเจาะคอเริ่มให้เครื่องช่วยในการหายใจเริ่มให้ยาเพิ่มความดันเรื่องอะไรให้เครื่องอุปกรณ์ช่วยชีวิตเริ่มเยอะตอนนั้นเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าเรากําลังจะตายโอ้อยากจะทําอะไรอีกหลายอย่างมากแล้วก็เห็นว่าสิ่งไ ร, ร้สาระในชีวิตนี้เยอะมากไม่มีโอ้เยอะจริงๆเลยแต่จะทําอะไรไม่ได้ จะไปรู้แต่มีโอกาสนะบางคนก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้ได้รู้ว่าอีกสักหน่อยหนึ่งไม่นานนี้เราจะตายแล้วเนี่ยที่รู้จริงๆด้วยความประจักษ์นะเพราะว่าสภาพาแวดลรอมมันบอกเครื่องช่วยชีวิตหมอก็เอามาตั้งไว้ไอ้นี่ก็ทํางานแทนหัวใจไอ้นี่ก็เทื่องไรไอ้เสียบก็ไปจอกก็ไปยานี่ก็ลดความดันไอ้นั่นก็เต้นตื้อตื้อตื้อเวลา เวลาสภาคเวกล้อมซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่ากําลังจะตายเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงบางคนใจก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องใส่ไม่ต้อ ง, องก็อยากตายแล้วอยากตายแล้พอเวลาจะตายจริงๆริงนะจิตมันเศร้าหมองสู้ความเวทนาไม่ได้สู้ทุกขเวทนาไม่ได้ดงนั้นอันนี้เป็นความจริงของตัณหาทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ย เห็นถ้าเรารู้จริงอะถ้าเรารู้ว่าอีกสัก20นาทีเราจะต้องตายแล้วโดยที่เราไม่ไม่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยไม่ต้องไปรู้นอนติดเตียงอยู่อย่างนั้นอไอเรามามองดูว่าเราจะทำอะไรมาว่านี่ถ้าทุกคนรู้ว่าอีก20นาทีจะตายทุกคนจะลุกขึ้นจากตรงนี้ไหม แล้วก็จะไปทำในเรื่องที่ไม่เกินหนึ่งเรื่องสองเรื่องกันนะนะั่นแหละไม่กี่เรื่องเท่านั้นแนะแต่ในขณะที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องมันเยอะมากที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอันนี้พวกได้ฟังว่าอำนาจอิทธิพลเพื่อนของเราที่อยู่กับเราท่องเที่ยวมากับเราตลอดระยะเวลาทุกภพทุกชาติเขาไม่ได้ให้อะไรนะ นานๆเราจึงจะไปได้เจอผู้รู้ที่เป็นบัณฑิตยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระประเจกับพระพุทธเจ้าหรืออย่างบัณฑิตผู้เป็นบำเพ็ญบารมีแต่ละพบแต่ละชาตินั้นๆที่เราเห็นแล้วทําให้เรารู้สึกเข้าใจอีกมิติหนึ่งของธรรมชาติแล้วเราก็หันมาฝึกฝนบำเพ็ญทานศีลภาวนาบางภพ บ, บางชาตินะเราก็ไปบำเพ็ญทานศีลภาวนา บางภพ บ, บางชาติเราก็ไปบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบางภพ บ, บางชาติเราก็ให้แต่ทานอย่างเดียวบางภพ บ, บางชาติเราก็ไปอยู่ยึดมั่นในในคุณธรรมที่เป็นกัตัญญูเมตตาวาจาสัตยสะสมไว้เป็นเล็กๆน้อยๆต่อจิตใจดวงนี้เพื่อที่จะทานกับความยิ่งใหญ่ของตันหา ไอทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาหรือคุณธรรมทั้งหมดที่เราทำเราทำมาเพื่ออะไรเพื่อฝึกฝนตัวเราเนี่ให้มันแข็งแรงไม่ไม่อยู่อําใต้อานาจของตัญหาที่อยู่กับเราเนี่ยมากนักนั้นเราจึงบางครั้งก็บาปมั่งบางครั้งก็บุญมั่งไอคนที่มีบาปมากกว่าบุญในชีวิตอะพวกนี้ก็คือตัวเองอ่อนแอ เตาะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็จะมีบุญมากกว่าบาปพออ่อนแอก็มีบาปมากกว่าบุญพอแข็งแรงก็มีบุญมากกว่าบาปแต่ก็เนี้ยวนกันอยู่อย่างนี้แหละทุกข์กับสุขสุขังปิทุกขังปีที่พระพุทธเจ้าว่าตัสสัมมสตาวิจารันวัดเดวิจารันตาสุขขังปิทุกขังปิอนุภวันติเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ จึงประสบกับความสุขมั่งทุกมั่งแปรเปลี่ยนกันไปแบบนี้ในการเห็นโทษเห็นภัยแบบนี้มันจึงเป็นเส้นทางทำให้เกิดเป็นพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนามาสอนพวกเราในความเป็นพุทธศาสนานี่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไร ไม่ต้องใช้เลยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่จำเป็นจะต้องสร้างไม่จำเป็นจะต้องมีแม้แกระทั่งแค่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่จำเป็นเป็นเครื่องประกอบทั้งนั้นเครื่องมือจริงๆในการที่จะปฏิบัติตามในหลักของธรรมชาติที่ชื่อว่าพุทธศาสนานั้นคือร่างกายและจิตใจที่ยังเป็นๆอยู่เนี่ยคือชีวิตนี้เท่านั้น ชีวิตที่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะร่างกายที่ยาวหนึ่งวานานะหนึ่งกบมีประกอบด้วยสัญญาและและวิทนาเนี่ยสัญญาและใจเนี่ยตั้งเป็นเป็นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาของพระุทธเจ้าทีนี้มันจะต้องเอาจริงเพื่อการที่จะทิ้งเพื่อนผู้นี้ให้ได้ ไอ้เพื่อนที่ทึว่าตันหาเป็นเพื่อนสองเนี่ยพระเจ้าขรจัดว่าจิรังจิรังวาปิยะดีวาติดถังนิสินโดอุดดาวสัญยงโยวิตกังวิตเกติปาเปกังเกห์นิสิตังเป็นต้นพระเจ้าว่าเราเดินก็ตาม ยืนก็ตามนั่งก็ตามหรือนอนก็ตามต้องหยุดความคิดอันเป็นบาปหยุดความคิดอันเป็นอกุศลไอ้นี่เป็นการปฏิบัติตรงเข้าไปตรงเข้าไปเพื่อเพื่อที่จะแตกหักกับไอ้เพื่อน เพื่อนเพื่อร่วมเดินทางของเราเนี่ยโยวิตกังวิตเกติปาเปกังเคหะนิสิตังว่าความคิดอันเป็นบาปอากุศลอันใดที่เกิดขึ้นอันอาศัยกายแล้วเกิดขึ้นต้องหยุดความคิดนั้นวิตกังสมะยิตวาต้องทำความคิดอันนั้น ให้มันพังพินาศไปให้มันสงหงไปวิตกูปั ส, สเบรโตพอความคิดอันไม่ดีอันเป็นบาปอันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันดับไปพินาศไปในขณะนั้นต้องยินดีพอใจในการดับไปในการพังพินาศไปของความคิดไม่ดีนั้นทันไหมไอ้ น, นี่คือการปฏิบัติตรง เรามีอะไรเราก็มีเหมือนที่พระเจ้าว่าจีรังวายาติวาติดถังเราก็มีจีรังคือเดินติดถังคือยืนนิสิโนคือนั่งสยังคือนอนความคิดที่มันไม่ดีเป็นบาเป็นอกุศลรู้จักไหมอาศัยกายเกิดเนี่ยเคหะนิสิตังปาเปกังเคหะนิสิตัง มันเป็นบาปเป็นอาลามกเป็นอกุศลและอาศัยกายเกิดขึ้นมาในขณะที่เรากายนี้มันเดินยืนนั่งนอนต้องจัดการทันทีวิตตังสมายิตวาวิตตกูปะเมระโตวิตตังสมายิตวะหมายความว่าทํามันให้สงบไปเลยให้มันพินาศไปไอตัวความคิดนั้น ให้มันพังพินาศไปอย่าไปยอมตู่ใต้อำนาจของมันความคิดใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีมันประกอบด้วยอะไรฉันดูเออเหนะ็นนะันนิสิตังมันประกอบด้วยฉันทะโทสันิสิตังมันประกอบไปด้วยโมหะไ อ, อโทสะ โบหะนิสิตังมันประกอบไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยไอความคิดที่มันเกิดมาเป็นความคิดที่มันเป็นความโลภความคิดที่มันประกอบกับความโกรธความคิดที่มันประกอบกับความลุ่มหลงมัวเมาที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะต้องแน่ใจเราจะต้องกล้าพอต่อใจของเราถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วยงรู้เลยว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศล หยุดมันได้ได้ให้มันพังพินาศไปอย่าไปยอมตามอำนาจของมันและเมื่อมันพังพินาศไปแล้วให้ยินดีในความพินาศไปของอกุศลนั้นเพราะมันจะเกิดความสงบเมื่อใดที่เรามองความคิดอันเลวร้ายความคิดที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกว่าเราเครียดเครียดเครียดเครียดเครียกังวลกังวลกังวลโกรธโกรธโกรธโกรธหงุดหงิด ทั้งหมดเหล่านี้เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นความคิดตกอยู่ข้างในยังไม่ออกมาทางกายทางวาจาให้รู้ว่ามันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เรามองพอเรามองเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยนในขณะที่มันยังไม่หายไปมันเหมือนเรายืนแบรกกระสอบร้อยกิโลมันหนักเหลือเกินหนักมากพอเราไปเพ่งพินิจพิจารณาเขา ว่ามันเป็นความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเราก็ดูโครงสร้างของความคิดนั้นที่เรียกว่าวิตกะสั้นท่านังคือสันฐานโครงสร้างของความคิดถ้ามันไม่หายไปในระยะเวลาที่เรากำลังจ้องดูเพ่งอยู่ที่เราไม่ยอมตามของมันเนี่ยเราไม่ยอมอย่าไปยอมตามอำนาจของมันแล้วมันก็จะหายไปถ้ามันยังไม่หายไปมันเกิดมาอีกเราก็ดูโครงสร้างของมันว่ามันเกิดมาจากอะไร ด้วยความที่มีฉันทะในการที่จะเปลื้องสิ่งอกุศลความคิดอันเป็นบาปเหล่านี้ออกไปเนี่ยพระเจ้าเลยให้โอกาสในการปฏิบัติเยอะมากแต่เพียงเพื่อให้เขาหายไปอย่างเช่นว่าวิธีแรกในการเปลื้องความคิดในการหยุดอกุศลเหล่านี้ให้ออกไปจากใจเนี่ย แล้วก็ต้องต้องอย่าลืมนะว่าเราพูดกันเรื่องอะไรเรื่องเพื่อนที่สองในการร่วมเดินทางในทงสารวัตรไอ้ความคิดที่เป็นบนาปอกุศลเหล่านี้ก็คือเพื่อนที่สองเกิดจากเพื่อนที่สองนี่แหละไม่ใช่มาจากอย่างอื่นนะเอาแล้วมาดูต่อเราควรจะทำอย่างไงเมื่อมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจเรารู้แล้วว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วเราจะทำอย่างไงเราจะไม่เอามันไว้เราจะให้มันออกไปแต่มันไม่ออก เราจะต้องทํำยังไงเราก็ต้องพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่า อ, อยังนิมิตตังอาคัมมะนิมิตตังมานสิกโรโต ว, ว่าเราอาศัยนิมิตใดใส่ใจนิมิตใ ด, ดแล้วมันเกิดความคิดที่เป็นอกุศลอ่าดูนะ เราอาศัยนิมิตใ ด, ดนิมิตเข้าใจไหมเครื่องหมายอีกตัวหนึ่งไม่ใช่จิตเช่นมันอาศัยรูปคนนี้อาศัยเสียงคนนี้อาศัยรูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้รสชาติอันนี้อาศัยสัมผัสอันนี้มาเป็นนิมิตแล้วใส่ใจในนิมิตอันนี้แล้วมันเกิดเป็นอากุศลเ อ, อ ยังนิมิตตังอาคมะยังนิมิตตังมนานสิกโรตวูว่าเราอาศัยนิมิตใดใส่ใจนิมิตใดแล้วมันเกิดความคิดอันไม่ดีขึ้นเช่นเดินไปได้ยินเสียงที่คนเขานินทาก็มีเสียงเป็นนิมิตนะเราอาศัยนิมิตนั้นใส่ใจในนิมิตนั้นแล้วมันเกิดความคิดไม่ดีขึ้นไอ้ น, นี่เราพูดในขั้นที่ว่ามีแก่ใจในการที่จะกําจัดความคิดไม่ดีแล้วนะ เนี่ยปฏิบัติตรงอย่างนี้เพระเป็นอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนนิมิตอย่าไปปรุงแต่งชุ่มแช่อยู่กับนิมิตอันนั้นเช่นว่าเป็นเสียงของโยมคนนี้ได้ยินแล้วออกมาเป็นนิมิตแล้วมันเกิดความคิดไม่ดีประกอบด้วยฉันทะโทสะโโบหะประกอบไปด้วยโทสะก็คือว่ารู้สึกหงุดหงิดจำการมาก มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้นี่พูดกันแบบชื่อๆตรงๆนะเราจะปลดเปลื้องมันจะสู้กับตันหาที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยจะให้เราเป็นยิ่งใหญ่มีอํานาจโตกว่าเรามีแข็งแรงกว่าไอ้ตันหาที่มันเป็นเพื่อนเดินทางของเราเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างนี้หลังกั น, นกรแรกพวกย่าบอกว่าให้เปลี่ยนนิมิตเสียเปลี่ยนนิมิตคืออย่าไปเอาเสียงนั้นมาเป็นนิมิต ให้ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นนิมิตเอาอะไรเดียเอาอะไรดีแต่นิมิตที่เราจะเอามาแทนนั้นต้องเป็นนิมิตที่เกิดเป็นอกเกิดเป็นกุศลเมื่อนิมิตนี้เป็นอกุศลเมื่อนิมิตนี้เราอาศัยแล้วคิดถึงแล้วเป็นอักุศลเกิดความคิดอักุศลขึ้นเราจะต้องไปอาศัยนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นและนิมิตอื่นนั้นต้องเป็นกุศลอันประกอบด้วยกุศล ต้องเป็นความคิดดีคือพออาศัยนิมิตนั้นแล้วทำให้เราคิดดีให้เหมือนอันนี้ให้เหมือนริมสลักว่าริมสลักที่มันสลักอยู่นี่ไม้เราจะเอาริมนี้ออกแล้วใช้ริมอันใหม่ที่ต่อกเข้าไปในรูเดิมต่อกเข้าไปแล้วเราโยกโยกโยกโยกโยกริมเล็กๆเนี่ย โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วถอดรีมมันนั้นออกให้รีมอันใหม่อยู่แทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอนี่มิดใหม่น่มิดอื่นจากนิ่มิตนั้นมทันไเนี่ยทันหมโยมทันไหมเออนี่เป็นเรื่องราวในชีวิตรจริงในความเป็นพุทธศาสนาที่ไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่อ ง, องเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการเอง เท่านั้นเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็จัดการเท่านั้นแหละโดยอาศัยความเชื่ออาศัยความเพียรอาศัยสติอาศัยสมาธิและอาศัยปัญญาแต่ตอนนี้ก็ฟังทำความเข้าใจไปก่อนเราอาศัยในมิตใ ด, ดใส่ใจในมิตใ ด, ดและเกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นนั่นเราจะต้องตกเป็นทาสของตัณหาที่เป็นเพื่อนเราอย่างไม่มีที่สุดแน่ นี่เราจะปฏิบัติเพื่อยุติปลดเปลื้องไอ้ตัณหาตัวนี้ท่านเราต้องจัดการตรงไหนจัดการตรงนี้ตรงความคิดที่เป็นอกุศลแต้ความคิดที่เป็นอกุศ ล, ปลเป็ดเรื่องยังไงให้มันหายไปมันหายไปได้เมื่อใดเมื่อ น, นั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะสงบเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปแต่ว่าเอาว่าเราปลดเปลื้องมันได้ยังไงก็มันเกิดยังไงอ่ะมันเกิดเพราะนิมิต นิมิตคือสิ่งที่มากระทบถ้าโดยสรุปก็คือเสียงกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความคิดไม่ดีอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกโกรธอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกอยากได้อะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกมัวโม่รุ่มหลงอ่ะไอสิ่งเหล่านี้ อันนี้เรียกว่านิมิตอืมนันต้องทำความเข้าใจช้าๆเรื่อยๆพอพอเรารู้อย่างนี้เสร็จเราก็เปลี่ยนนิมิตเเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนเรื่องที่จะนำมาคิดเช่นว่าได้ยินเสียงแล้วเกิดโทสะ เรารู้ว่าโทรศันี้เกิดขึ้นด้วยเสียงนั้นเปลี่ยนเลยอ๋อเสียงนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเสียงที่เป็นเหตุของกุศลเช่นเป็นเสียงพระเทศเสียงสวดมนต์เสียงอย่างอื่นที่เป็นกุศลที่ปกฟังแล้วเป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศลนก็ดับไปทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วยกตัวอย่างว่าเอาเปลี่ยนในมิดมาเป็นพุโทโธกันแล้วกันสมมติว่ามันกระทบเสร็จมันเกิด ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนเครื่องคิดของจิตในขณะนั้นเราก็เอาพุทโธมานั่งคิดพุทโธดีกว่าเราก็คิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าว่าเราคิดถึงเรื่องของพุทโธเรียกว่าเปลี่ยนนิมิตถือนิมพุทโธเป็นนิมิตแล้วอกุศล น, นั้นดับไปอกุศลคือความคิดที่เป็นอกุศล น, นั้นดับไปให้หยุดและดูจิตในขณะนั้นมันจะเป็นความสงก หัดดูถ้าหากว่ามันยังมีอากุศลเกิดอีกเราก็เอาเรื่องอื่นมาคิดที่เป็นกุศลอย่างพุโทโธเป็นกุศลไหมเป็นกุศลแน่เราตั่งคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็จิตก็ดูอากุศลที่มันดับไปพราออากุศลนั้นดับไปจิตก็จะเกิดภาวะของความสงบเพราะว่าอากุศลที่เกิดหรือความคิดไม่ดีลองสังเกตเวลาเราเกิดความคิดไม่ดีเวลาเกิดความคิดไม่ดีโยมเวลาเราโกรธรู้สึกเป็นไง รู้สึกตัวเองหนักมากเลยใช่ไหมมันหนักตัวหนักหัวหนักอกหนักใจหนักไปหมดอืมแล้วยิ่งเราไปใส่ใจในมิตในนิมิตสมมติว่าเราโกรธลูกชายคนโตแล้วมันหนักใจเหลือเกินแล้วเราไปใส่ใจในเรื่องลูกชายคนโตมาเป็นนิมิตเราก็จะยิ่งหนักหนักนักนักนักนักเข้าใจไหมเราก็เปลี่ยนใหม่ถอยออกมาจากนิมิตนั้น ถอยออกมาจากลูกชายคนโตความโกรธยังอยู่ความคิดที่โกรธยังอยู่แต่เราถอยจากมันเราก็อมพุทโธมาใส่ความนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรื่อยที่เป็นกุศลเรื่อยเรื่อยเรื่เรมันล้างไปแล้วจนมันความโกรธนั้นมันหายไปเวลาความโกรธหายไปมันก็เกิดอาการสงบแล้วก็เบาใช่ไหมอาการสงบแล้วก็เบาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิตักูปัสเบระโต สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือยินดีในความสงบที่อกุศล น, นั้นหายไปอันนี้เราต้องทำเองนะเราต้องทำเองเป็นฝึกปฏิบัติเบื้องต้นง่ายๆมันว่ากันด้วยใจล้วนๆแต่ต้องทำความเข้าใจช้าๆ เมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเกิดหนักเวลาเพ่งเนียอภิชาวิสมารุปะความโลภที่งอกมาจากความโลภเรียกว่าอภิชามันเล็งมันเพ่งมันอยากได้อย่างรุนแรงเนี่ยหนักไหมหนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อไปถามพวกอุ้ยสาิบล้านดูหนักไหมตอนนี้เขาอายัดอยู่อ่ะอายัดอยู่เนี่ย จิตที่มันหอกออกมาจากความโลภมันเพ่งเพื่อมันจะเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยมันเพ่งอย่างเงี้ยหนักไหมนะก็ลองถอยออกมาสิถอยออกมาจากไอบัญชีนั้นถอยออกมาจากจํานวนเงินนั้นถอยออกมาแล้วเอาพุโทโธไปวางแล้วก็ภาวนานึกพุโทโธนึกพุโทโธใส่ใจพุโทโธถือพุโทโธเป็นนิมิตแล้วก็ใส่ใจในพุโทโธอย่างนี้ต่อไปเนืองเนื่องนื่นื่องนอ ง, นอ ง, นอ ง, นองจงความโลภความอยากนั้นหยุดระหับไป จิตก็จะเห็นเกิดความสงบขึ้นมาและยินดีในความสงบที่ที่ความโลภตัวนั้นมันดับไปอะความยินดีในความสงบที่ความโลภดับไปในอกุศลดับไปอันนี้อะอันนี้เป็นธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องทาง่ายๆเห็นเห็นจาๆจา ก, จากมันเกิดขึ้นทุกวัน แล้วลองทำอย่างนี้ทุกวันนี่วิธีการพิชิตตัญหาแบบเร่งด่วนแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากไหมยา <Yeah. S 1> เออ <laughs> เพราะอะไรถึงยากเพราะเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นนั้นมันไม่ให้ระยะไม่ให้โอกาส กับเราเลยในการที่จะไปมองว่าเออนี่มันมันคิดไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเรารู้เราเห็นเราบอกได้เหมือนอาตมามานั่งเทศโยมเนี่ยบอกโยมเนี่ยง่ายเนี่ไหมถูกป่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยพอมันเกิดปับ๊บมันไม่ให้ระยะกับเราเลยสําหรับที่จะไปเปลี่ยนนิมิตสําหรับที่จะไปเปลี่ยนเรื่องคิดสําหรับที่จะไปดูความโกรธ สำหรับที่จะให้จิตนี้มีกําลังพอที่จะยกพุทโธเข้ามาตั้งในขณะที่ความโกรธมันกำลังเดือดปุดปวดปวปวดอยู่เนี่ยและดีไม่ดีถ้าความโกรธมันกลาลังเดือดปุดปวดอยู่มีพระต่อให้พระมาบอกเฮ้ยโยมพุทโธสิพุทโธ ส, ทโทสิเดี๋ยวหลวงพ่อก็บาด ก, กระเด็นถูกไหมเมื่อมันไม่ให้ระยะอย่างนี้นี่คืออํานาจของตัณหา นี่แหละอำนาจของตันหาที่เขายิ่งใหญ่เ็พาเราสร้างปบสร้างชาติสร้างเรือนมายาวนานจนถึงนักขนาดนี้เพรา ะ, ะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองที่จะทำให้ตัวเราเองนี้แข็งแรงขึ้นมาที่จะทานต่ออํานาจของตันหานั้นได้และอํานาจที่เราควรจะไปทานต่อเขาได้ ก็คืออำนาจในการจัดการความคิดที่เป็นอกุศลของเรานี้แหละก่อนแต่ตัวที่จะทำให้เราเกิดกำลังในการที่จะมองเห็นความอากุศลมองเห็นความคิดที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเพื่อการพิชิตเขานั้นมันจะต้องมีสติสมาธิและปัญญาเราจำเป็นที่จะต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง อย่างมานั่งสมาธิอย่างมาฟังธรรมมาจะปฏิบัติจะรีญจิตภาวนาแบบนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งเพื่อให้สุขภาพดีมานั่งเพื่อให้ได้บุญมานั่งเพื่อให้จบไปวันหนึ่งวันหนึ่งเออวันนี้จะเพื่อจะลองวันเกิดหรือเพื่ออะไรอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่สามนอกเหนือจากการกระทําและผลของการกระทําอัตมาบอกแล้วว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้ในการที่จะ เรื่องหรือตันหานี้ออกไปนั้นไม่มีนอกจากเราเท่านั้นเราต้องทําเองทำเองทําให้ถูกวิธีทําให้มากๆทําให้บ่อยๆไม่มีสิ่งใดที่จะมาขจัดปัดเป่าช่วยเหลือเราได้แม้แต่น้อยไอ้เรื่องอื่นมันได้แล้แต่เรื่องนี้ช่วยไม่ได้นี่คือพุทธศาสนา เราจะต้องทำความเข้าใจมั่นคงหนักแน่งหนึ่งแน่งแน่นในหลักการของคำว่าพุทธศาสนาไว้เพราะฉะนั้นเวลาของพระพิจารณท่านจึงสอนแบบนี้โบหะสัมพันโนโลโกพะ ป, ปะบรุโปวดิสติอุปธิบันโนพาโลตามาซาปาริวารโตไอโบหะนี่ก็คือ ความหลงเห็นไหมมันผูกพันจิตของเราไว้ไอ้ตัณหาที่มันอยู่เนี่ยมันฉาบทาอยู่เนี่ยมันเป็นยางเหนียวอะมันมีไอ้โบงหะเนี่ยผูกพันมากพระพระรูปโอวิสติมันจึงทําให้ทุกอย่างปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา โดยสรุปรูปร่างที่ปรากฏด้วยหน้าของตัณหาก็คือตัวเรากับของเราแล้วก็ตัวเขากับของเขาทั้งภายในและภายนอกแล้วก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันตามกำลังของแรงกาลังตัณหาและแรงยึดที่ชื่อว่าอุปาทาน อุปธิบันโนพาโลเพราะฉะนั้นไอ้พวกโง่พาโลนี่ไม่ใช่ว่าคนชั่วนะพาโลแปลว่าไอ้พวกโง่แปลว่าพวกไม่รู้ด้วยอํานาจของโบหะที่มันผูกพันจิตอยู่เนี่ยอุปธิพันธโนพาโลคนที่ไม่รู้จึงถูกอุปธิผูกย้ำเข้าไปอีกชั้นหนึ่งพอเราไม่รู้เราเข้าใจว่ามันเป็นรูปเป็นร่าง เราก็ยึดและดำเดินการไปทางนั้นการดำเดินการตามเร่งยึดเป็นการกระทานั้นเรียกว่าอุปธิมันก็ผูกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งพอผูกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งสิ่งที่มันผูกไว้สิ่งที่มันมาด้วยอานาจของความมืดด้วยอานาจของโบหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องจริงเรียกว่ามันแปรปรวนเข้าไปสู่ความแตกดับและพลัดพรากเราจึง เพราะฉะนั้นไอการปรากฏเป็นรูปเป็นร่างตามกำลังของโบหะตามกำลังของตัณหาและแรงยึดของเราทั้งหมดที่มีมันไปสุดอยู่ที่ทุกเท่านั้นะไม่มีตัวไหนที่ไม่ทุกทุ ก, ท, กทุกตัวเพราะว่ามันถูกผูกไว้หลายชั้นเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัจ ต, ติวิยะข้ายาติมันจึงปรากฏว่าเที่ยง เนี่ยมันขัดแย้งใช่ไหมพอปรากฏว่าเที่ยงนี่มันขัดแย้งนะถ้าเป็นสามีเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เป็นภรรยายาเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เป็นบ่อแม่เราก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเป็นลูกเราต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแม้จิตรู้อยู่ว่าแก่เจ็บตายแต่เมื่อคราใดที่มีความทุกข์เกิดจากความแก่เราก็ทุกข์ด้วยเมื่อคราใดที่เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้เราก็ทุกข์ด้วยคราใดที่เวลาเราจะตายเราก็วิ่งหาไปสารพัดสารพันธ์ และสุดท้ายมันก็ทุกตัว ท, ท, ทุกอันนะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดที่เป็นของเราของเราของเราเนี่ยมันจะไปสุดอยู่ที่ทุกตัวเนี้ยด้วยอํานาจของบุหะที่มันลูกอยู่บุหะก็เครื่องฉาบทาที่มีกําลังเป็นตันหานี่นะมันผูกอยู่มันแวดล้อมในจิตของเรามืดมิดอยู่อย่างนี้มันปรากฏสตีวิยญาคายติคือปรากฏว่าเที่ยง มันเป็นชิ้นเป็นอันนะ่ะเป็นก้อนนะ่ะมันตั้งอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงง่าปรากฏพระเจ้าเลยบอกว่าปัสโตนติกินจะนังนี่ความกังวลเหล่านี้ไม่มีต่อผู้ที่เห็นอยู่เห็นอะไรเห็นอะไรเนี่ยผู้ที่เห็นอยู่ว่าไอสิ่งเหล่านี้มัน มันไม่จริงมันแค่การเกิดการดั บ, ก า, ด บ, ก, าดบการเกิดการดับการเกิดการดับผู้ที่เห็นตามความเป็นจริงที่สุดของมันนั่นแหละพวกนี้จะไม่มีเครื่องกังวลแต่การเห็นนี้มันจะต้องเป็นปัจสตาะคือจะต้องเห็นจริงๆนะมันไม่ใช่คิดเห็นนะ่านวิธีปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่นำมาสเสนอเป็นวิธีการปฏิบัติจริงไม่ต้องไปนนั่งหลับตาภาวนาเลย เพราะมันเกิดจริงๆด้วยวิธีการปลดเรื่องความคิดที่เป็นอกุศลแล้วก็ทำสองอย่างเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นปลดเรื่องมันให้สงบเพ่งมันแล้วก็ไม่อยู่แนวหน้าของมันพอมันสงบพอมันสงบปับ๊บจิตเกิดความระคับขึ้นมายินดีในความสงบของจิตที่เกิดจากการอากุศลหายไปนั่นแหละแค่นั้นน่ะ ให้ปฏิบัติต่อเนื่องสอดคล้องกันไปแต่ทีนี้มันยากยากตรงที่ว่าระยะที่จะทำให้เราสามารถเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นเห็นความคิดที่เป็นอกุศลในจิตของเราเองนั่นนะมันยากเพราะมันเกิดขึ้นครอบงาเรามันไม่มีระยะให้เราได้คิดเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าสู่หลักการพัฒนาจิตการฝึกฝนจิตเพื่อให้มีสติสมาธิที่แข็งแรงขึ้นมา เพืสติและสมาธิที่แข็งแรงขึ้นมามันก็สามารถที่จะมีระยะสามารถมองเห็นความคิดเหล่านั้นได้นันคือมีคำพูดว่าการภาวนาเป็นการได้ทุกสิ่งก็ได้อย่างเงี้ยภาวนาแปลว่าการพัฒนาพัฒนาจิตฝึกฝนฝึกฝนจิตนี้ เพื่อให้มีสติสมาธิและปัญญาให้เขาแข็งแรงขึ้นมาและก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ปลดเรื่องความคิดที่เป็นอกุศลออกไปได้อุปธิแปลว่าอะไรเจ้าคะอุปธิแปลว่าการกระทาการกระทาตามกำลังอำนาจของกิเลสตัวสุดท้าย เช่นไปนเห็นเงินเขางแล้วก็เกิดความอยากได้เล็งไว้ใช่ไหมเล็งไว้ก่อนแล้วเกิดการกระทำเพื่อที่จะเอาสิ่งนั้นมาการกระทำอันนั้นกับกิเลสตัวสุดท้ายคือตัวที่อยู่ล่าสุดอยู่กับการกระทาอันนั้นรวมกันเรียกว่าอุปาิ มันจะผูกเราไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะฉนั้นไอ้ท่าทีของคนที่มันเป็นกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นอุปธิที่ผูกไว้อีกชั้นหนึ่งเพราะว่ากิเลสมันอยู่ก็มันอยู่เฉยๆถูกปะล่ะกิเลสก็มันอยู่เฉยๆกิเลสมันผูกใจเราไว้กิเลสนี่ผูกใจเราไว้แต่อุปธินี่ผูกชีวิตทั้งชีวิตของเราไว้อีกชั้นหนึ่งสองชั้นเรียกว่ามืดสองชั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพิชติต้องแทงให้ทะลุกองเนี่ยแทงให้ทะลุอะไรโลภะขั้นทางโทสะขั้นทางบหะขั้นทางนิพพิ ช, ชติติแทงให้ทะลุกองของโลภะแทงให้ทะลุกองของโทสะแทงให้ทะลุกองของบุหะเข้าใจคนว่าแทงให้ทะลุหม กองของความโลภที่เกิดอยู่เนี่ยต้องแทงให้ทะลุมเมื่อทะลุเข้าไปแล้วมันก็จะอะไรมันก็จะไม่มีความโลภะเข้านึกถึงฟองไข่ไหมที่เรียกว่าฟองไข่เราต้องแทงให้มันทะลุพอมันทะลุแล้วมันแตกกระจายออกไปแล้วฟองไข่มันก็หายไปไหมมันก็ไม่มีฟองไข่ใช่ไหมเออ แทนให้ทะลุความโลภเนี่ยโกไอโลภะขั้นทางนิพิจติแทงให้ทะลุกองของโลภะพอแทงให้ทะลุแล้วมันก็จะไม่มีโลภะในขณะนั้นในขณะที่มันถูกแทงทะลุออกไปเพราะการปฏิบัติการกดเรื่องความคิดของเราเหมือนกันความคิดที่ไม่ดีมันไม่ได้มาจากเหตุที่อยู่เบื้องหลังมันไม่มากมายหรอกมันก็มีแค่ฉันทะราคะโทสะโบห์เย่างเนี้ย ไอ้ความคิดพวกเนี้ถ้าเราภาวนาเพื่อที่จะให้จิตนั้นแทงทะลุกองของมันกองของมันกองของมันมันก็จะไม่มีมันก็สามารถที่จะเลืองได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งการเปลืองออกไปเปลืองออกไปเปลืองอกุศลออกไปหนึ่งความคิดที่เป็นอกุศลถูกเปลื่องออกไปหนึ่งครั้งจะสังเกตเลยมันจะเกิดความระคับของจิตเรียกว่าความสงบและเราก็ยิน ด, ดีในความสงบ เพื่อสร้างชันทะกับจิตในการที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะปลดเปลื้องอากุศลตัวต่อต่อไปเพื่อให้การนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเราก็จ ะ, จะเจริญสติด้วยการรู้ลมหายใจ